แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าไม่ควรเล่าออฟฟิศเมื่อสถานที่ที่คุ้นเคยกลายเป็นที่ที่เคยคุ้นคุณคงจะอยู่ผิดที่เพราะมันเป็นเวลาของผีไม่ใช่คนเปิดเรื่องราวสยองของสถานที่ทำงานใครจะรู้ว่าเราไม่ได้นั่งทำงานอยู่เพียงลำพัง หลังจากหยุดยาวเป็นหนึ่งอาทิตย์เต็มๆฉันกลับมาทำงานอีกครั้งก่อนลาพักร้อนฉันเคลียร์งานทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรติดค้างและแจ้งกับหัวหน้างานว่าระหว่างที่หยุดยาวจะไม่ติดต่อกับใครในทุกช่องทางทั้งสิ้นทั้งโทรศัพท์ไลน์หรือ Facebook รอบนี้ฉันอยากพักจริงๆ ง, งานของฉันน่นเหรอคอนเซนเตอร์ไงตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินเชื่อของบริษัทตั้งแต่แนะนำการสมัครตรวจสอบผลการสมัครว่าจะผ่านไหมผ่านแล้วได้สินเชื่อเท่าไหร่ คิดดอกเบีย้ยยังไงต้องจ่ายเมื่อไรที่ไหนวิธีไหนค่าปรับยังไงโอ้ยนู่นนี่นั่นสารพัดเยอะแยะแปะขายขวดหลายครั้งยังโดนด่าฟรีงานเนี้มันเครียดนะต้องนั่งพูดพูดพูดวันละ8ปชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นยามพักฉันก็อยากให้สมองได้ผ่อนคลายมากที่สุดบ้างอะไรบ้างแต่ยามทำงานฉันก็ทาเต็มที่ไม่มีเกี่ยงนะจะบอกให้ work hard play hard นั่นคือความคิดของฉัน11เนกานาที ฉันสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้า ง, งานอ่าๆๆอย่าเพิ่งตกใจใคิดว่ามาทํางานสายนะจ๊ะระดับฉันไม่เคยสายเดือนนี้ต้องเข้ากะ บ, บ่ายจ๊ะเข้างานเที่ยงตรงเลิก อ, อีกทีสามทุ่มลูกค้าโทรมาแทบทั้งวันทั้งคืนบริษัทก็จัดคอรเซ็นเตอร์รับสายลูกค้าตั้งแต่6กโมงเช้ายันสามทุม่แต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นบริษัทก็เลยขยายเวลาการให้บริการของคอรเซ็นเตอร์ไปถึงเที่ยงคืนพนักงานที่รับเพิ่มก็ยังได้ไม่ครบไอที่รับมาแล้วก็ยังฝึกกันไม่เสร็จ ช่วงนี้คนเก่าๆก็ต้องสลับกันทำงานช่วงกะดึกไปก่อนจนกว่าทีมจะพร้อมหลังจากสแกนลายนิ้วมือฉันก็พาร่างกายที่พระรุงพลังด้วยของฝากกระเป๋าถือและสเบียงที่ต้องใช้ระหว่างทำงานเข้ามาในลิฟต์ฝากผู้ชายหนึ่งใน 3-4 คนในนั้นช่วยกดลิฟต์ไปที่ชั้น14ซึ่งเป็นออฟฟิศของส่วนงานสินเชื่อชั้นนี้ถูกแบ่งออกเป็น2 ส, ส่วนคือด้านซ้ายซึ่งเป็นของส่วนคอนเซนเตอร์สินเชื่อที่ฉันทางาน และด้านขวาซึ่งเป็นส่วนติดตามทวงนี้ซึ่งพวกเราเรียกว่าฝ่ายคอลเลกชันซึ่งอยู่ติดติดกันกันกบฝ่ายขายสินเชื่อผ่านโทรศัพท์แต่และด้านมีประตูกระจกระบบอัตโนมัติคือต้องท่าบัตรพนัก ง, งานจึงจะเปิดประตูเข้าไปได้ติดกับลิฟต์เป็นห้องน้ําชายหญิงของพนัก ง, งานทั้งชั้นตึกนี้ไม่มีชั้น13นะเป็นความเชื่อของเจ้าของตึกมีชั้น12แล้วก็ไปชั้น14เลยแต่อันที่จริงชั้นที่14ซึ่งตอนนี้ประตูลิฟต์เปิดออกแล้ว มันก็คือชั้นที่13นั่นแหละก่อนเริ่มงานฉันเอาของฝากที่ซื้อมาไปให้กับหัวหน้าและเพื่อนๆระหว่างนั้นเองพี่อ้อยหัวหน้างานก็เรียกเข้าไปคุยหลังจากถามไทยเกี่ยวกับการไปเที่ยวมาหัวหน้างานวัยเลย30ก็เอ่ยขึ้นว่าส้มวันนี้ส้มเข้าเที่ยงเลิกสามทุ่มใช่ไหมข้อมูลนี้หัวหน้ารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการคําตอบเพียงแค่เป็นก า, ปการเปิดประเด็นเท่านั้นค่ะวันนี้เชอร์รี่ลาป่วย พี่เลยอยากถามส้มว่าอยู่ถึงเที่ยงคืนได้ไหมรับโอทีเพิ่มอีกสามชั่วโมงอีกอย่างทีมที่เลิกสี่ทุ่มกับห้าทุ่มยังไม่มาพี่เลยถามเราก่อนถ้าไม่สะดวกพี่จะถามกลุ่มนั้นอีกทีหัวหน้ายังเปิดโอกาสให้เลือกฉันยังไม่ตัดสินใจแต่ถามต่อแล้วต้องอยู่กับใครคะกับโคโค่ไม่เกินบ่ายสามเดี๋ยวก็มาได้คะ่ะไม่มีปัญหาฉันตอบพร้อมรอยยิ้มเต็มใจเพราะนางโคโค่คนนี้สนิทกันมีเรื่องอยากเม้ามอยหลายเรื่องอ๋อ oh. จริ ง, รงๆเธอชื่อนัทพงศ์ชื่อเล่นโคคนัทอันนี้สงสัยตั้งเองเพื่อนๆก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าโคโค่และเหตุผลสําคัญอีกอย่างก็คือช่วงนี้ต้องสร้างผลงานความรับผิดชอบเพราะได้ข่าวว่าจะมีการปรับตําแหน่งช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่เดือนขืนขี้เกียจเดี๋ยวโอกาสจะหลุดลอยกะสุดท้ายคือเข้า ง, งานบ่ายสามเลิกเที่ยงคืนซึ่งเพื่อนร่วมงานกะอื่นๆจะทยอยกลับทุกๆหนึ่งชั่วโมงจนเหลือชั่วโมงสุดท้ายนั่นคือห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าโทรเข้ามาน้อยบริษัทจึงจัดเจ้าหน้าที่ไว้รับสายเพียงสองคนเท่านั้น11นาก56นาทีฉันนั่งประจําที่เปิดสายเพื่อคุยกับลูกค้าตามความเชื่อของอาชีพอย่างเราถ้าสายแรกที่รับลูกค้าคุยดีไม่โดนลูกค้าโทรมาร้องเรียนถือว่าวันนั้นเป็นวันดีทั้งวันจะไม่มีเคสโหดๆแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ารับสายแรกแล้วเจอลูกค้าวีนวันนั้นสวยทั้งวันเช่นกัน ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะฉันวางสายแรกเยิ้มอย่างสบายใจลูกค้าคนแรกของฉันผ่านไปด้วยดีหากแต่มันจะเป็นวันที่ดีจริงๆสำหรับทุกเรื่องหรือไม่ 15.25 นาฬกานาทีฉันเห็นโคโค่นั่งรับสายคุยกับลูกค้าแล้วตอนเดินไปเข้าห้องน้ำฉันส่งสัญญาณมือว่าให้ไปเจอกันที่ห้องแคนเีนเธอส่งสัญญาณตอบกลับว่าตกลง ขณะที่ปากยังคุยกับลูกค้าในสายไม่เกิน5นาทีเสียงที่คุ้นเคยก็ดังทักทายมาจากด้านหลังขณะที่ฉันยืนชงกาแฟอยู่ในห้องแคนเตนเป็นยังไงหยุดยาวไปเป็นอาทิตย์เลยนะคดีแกได้พักบ้างก็หายเครียดดีงานเราต้องพักบ้านนะเว้ยเดี๋ยวเครียดตายอ่ฉันหันกลับมาตอบแล้วพูดต่อเออแล้ววันนี้ฉันอยู่กับแกถึงเที่ยงคืนนะเชอร์รี่มันลาป่วยพี่อ้อยบอกแกยังบอกแล้วสงสัยจะป่วยจริงอะ่ะปกติมันไม่เคยลา ง, ง่ายๆนะ เหมือนพินนึกออกโ ค, โคโคพูดตอมาว่าเออนี่เมื่อวานได้อ่านข่าวป่ะข่าวอะไรเหรอตั้งแต่หยุดไปฉันไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยอะ่ะฉันทำหน้างงก็ข่าวที่ตึกเราไงทำไมเหรอโคโ ค, โค่ฮอลเลยมีคนโดนแทงตายที่ชั้นส5้าฉันรู้สึกตกใจเล็กน้อยใช่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะคนที่ทำงานในตึกนี้มีเป็นพันคนคนที่ตายก็ไม่เกี่ยวกับเราและสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นอย่างที่คิด อยู่ที่ไหนมันก็ฆ่ากันได้จริงไหมเฮ้ยเข้ามาฆ่ากันถึงไนนี้เลยเหรอฉันพูดพลางจิบกาแฟาที่ยังร้อนเขาลือกันว่าน่าจะเป็นคนในไม่งั้นคงเข้ามาไม่ได้ไม่ทันได้คุยต่อพี่อ้อยก็เดินเข้ามาในห้องเอ อ, เ อ, อไว้ค่อยคุยกันต่อนะฉันตัดบทกับโคโค่เท่านั้นยิ้มให้พี่อ้อยแล้วเดินกลับไปทางานเหมือนจะรู้กันงานคอนเซ็นเตอร์พักนานก็ไม่ได้เข้าห้องน้านานก็ไม่ได้ คุยกับลูกค้าแต่ละรายใช้เวลานานเกินไปก็ไม่ได้มีบันทึกเป็น KPI ของพนัก ง, งานไว้หมดนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องเลิกคุยกันแล้วหันมาคุยกับลูกค้าแทนพวกเราทำงานกันไปตามเวลาและหน้าที่19นาฬนาทีหลังหมดเวลาพักเที่ยงของเพื่อนสาวโคโค่ CO CO, ย้ายมากดรหัสพนัก ง, งานเปิดสายคุยกับลูกค้าที่โต๊ะติด ก, กับชันเนื่องจากคนที่เคยนั่งก่อนหน้านี้กลับบ้านไปแล้ว กะที่เลิกสองทุ่มใกล้จะกลับบ้านต่อจากนี้ก็เหลือพนักงานอีกสี่กะคือเลิกสามทุ่มห้าคนเลิกสี่ทุ่มสามคนเลิกห้าทุ่มสาคนและเลิกเที่ยงคืนสองคนคือฉันกับโคโค่โครวม13คนช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มยังไม่ได้คุยกันกับเพื่อนมากนะักเพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าโทรเข้ามาเยอะเรียกว่าเป็นช่วงพีคเลยก็ว่าได้อาจเป็นเพราะว่าคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุณปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ก็เลยหาเวลาโทรหาคอนเซ็นเตอร์สัหน่อย21่สนาฬกาสานาทีสายของลูกค้าที่โทรเข้ามาเริ่มเบาบางลงแล้วตามเวลาฉันกดปุ่มล็อกไม่ให้สายเข้าที่เครื่องโทรศัพท์ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นบิดขี้เกียจยาววันนี้เป็นวันดีจริงๆไม่เจอสายของลูกค้าโทรเข้ามาด่าเลยผิด ก, กับโกโค้ที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นสีนหน้าก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีกับเธอนักฉันลุกไปเข้าห้องน้ำโดยปล่อยเพื่อนให้แก้ปัญหาให้ลูกค้าต่อไป ห้องน้ําของทุกชั้นจะแยกอยู่คนละส่วนกับห้องทํางานคืออยู่ด้านนอกติด ก, กันลิฟต์เมื่อเปิดประตูของส่วนงานออกไปก็พบว่าส่วนงานขายสินเชื่อและทวงหนี้เลิกงานกันไปหมดแล้วตั้งแต่สองทุ่มทั้งส่วนนั้นปิดไฟเมื่อสนิทส่วนที่ฉันอยู่ก็เปิดไฟไว้เฉพาะที่นั่งทํางานและทางเดินเท่านั้นแต่ด้วยผนังตึกส่วนใหญ่ที่เป็นกระจกทําให้มองเห็นแสงสีของไฟยามค่ําคืนของถนนสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับ บรรยากาศณเวลานี้ไม่น่ากลัวนักขณะที่ฉันทำธุระในห้องน้ำอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงถุงพลาสติกที่ดังอยู่แกรกักหลังจากทำธุระเสร็จและเปิดประตูออกมาฉันพบเจ้าของเสียงแม่บ้านของตึกกำลังเก็บขยะจากถังใส่ถุงพลาสติกสีดำยังไม่กลับอีกหรอคะฉันถามขณะล้างมือภาพของแม่บ้านสาวเบื้องหลังสะท้อนอยู่ในกระจกเงาเบื้องหน้า ใกล้แล้วค่ะรอแฟนมารับเธอตอบมาขณะที่ยังก้มๆเงยๆกับงานของเธอวันนี้กลับดึกเลยคะฉันถามตามวิสัยไม่คาดหวังคําตอบที่จริงจังเธอยิ้มแทนคําตอบโดยไม่ได้ศบตาฉันกลับมานั่งเปิดเครื่องเพื่อรอรับสายจากลูกค้าอีกครั้งขณะที่โคโควางสายจากลูกค้ารายล่าสุดเช่นกันเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้ยวันนี้ซวยจริงๆเจอแต่ลูกค้าโหดๆเออเอาหน้าเดี๋ยวก็เลิกงานแล้ว ฉันให้กำลังใจแล้วพูดต่อว่าแต่เรื่องที่คุยค้างเอาไว้เมื่อบ่ายว่าไงต่ออยากรู้อยากรู้ฉันหาเรื่องคุยคืองี้เมื่อวานนี้ตอน บ, บ่ายบ่ามีคนถูกแทงตายที่ชั้น15ฉันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะนั่งรับสายอยู่ในเนียกว่าจะรู้เรื่องก็เย็นเย็ไปแล้วอ่ะแล้วรู้เปล่าว่าเป็นใครไม่รู้จักหรอกนะรู้แต่ว่าเป็นแม่บ้านตอนนี้ฉันเริ่มกลัวขึ้นมาอย่างประหลาดกลัวทั้งคนที่ฆ่าแม่บ้านและแม่บ้าน หวังว่าคงจะไม่ใช่คนเดียวกับที่ฉันเจอในห้องน้ํานะนึกขึ้นได้ขนแขนก็ลุกขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องสั่งการสามทุ่งกว่าแล้วทําไมแม่บ้านยังไม่เลิกงานกลับบ้านความจริงแล้วต้องทํางานจนถึงเวลานี้เลยเหรอและความจริงยิ่งกว่าตั้งแต่ทํางานมาฉันยังไม่เคยเห็นแม่บ้านทํางานจนถึงเวลานี้หรือว่าเธอไม่ใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นคนในถึงเข้ามาทําร้ายได้ถึงในตึกออกข่าวคลึกโครม เมื่อวานทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยเต็มไปหมดวันนี้ยฉันยังเห็นตำรวจมาที่ตึกเราอยู่เลยอ่ะโคโค่พูดด้วยน้ำเสียงหวาดหวาดอ๋อผู้ชายสามสี่คนที่ขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับฉันเมื่อเที่ยงแล้วกดลิฟต์ให้หนึ่งในนั้นก็แต่งชุดตำรวจฉันเริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์ฉันเพิ่งรู้มาจากแกนี่แหละนึกแล้วก็น่ากลัวเนอะสังคมเราอยู่ยากขึ้นทุกวันเราทั้งสองคนนิ่งเงียบเสียงโทราศัพท์ที่โต๊ะดังขึ้นจนฉันสะดุง้งฉันรับสายคุยกับลูกค้าต่อไปตามหน้าที่ เครื่องโคโค่ยังไม่มีสายเข้าเธอหันไปหยิบมือถือมาเล่นไลน์ค่าเวลา22่สนาฬิกาเนาทีฉันเดินไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน3มคนที่เลิกกะสี่ทุ่มพวกเขาจะกลับบ้านส่วนฉันจะเอาแก้วกาแฟที่กินตั้งแต่ช่วงบ่ายไปล้างที่ห้องแคนเีนซึ่งหยุดถัดไปจากหน้าประตูเพื่อนๆโบกมือบายๆที่หน้าประตูกระจกก่อนจะออกไปลงลิฟต์พรุ่งนี้เจอกันนะสม้มขอบคุณสาหรับของฝากนะหนึ่งในนั้นเอ่ยจ้าฉันโบกมือ พวกเราแยกกันตอนนี้ที่เหลือนั่งทำงานอยู่มีเพียง5คนเท่านั้นคือกลุ่มที่ต้องเลิกห้าทุ่มสามคนและกะสุดท้าย2คนคนที่น้อยและสายที่นานๆานจะมีเข้ามาสักครั้งบวกกับไฟที่เปิดไว้เฉพาะส่วนมันก็ทำให้ทั้งชั้นแทบจะเงียบสนิทมีเพียงเสียงสนทนาเบาๆของคนที่ไม่ติดสายลูกค้าเท่านั้น ห้องแคนเตนที่พูดถึงนั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไม่ใหญ่นักหน้าต่างอยู่ตรงข้ามกับประตูด้านซ้ายเป็นตู้เย็นถัดไปเป็นโต๊ะ ว, วางไมโครเวฟและซิงค์ล้างจานเหนือซิงค์เป็นตู้แขวนสําหรับเก็บของอีกฝั่งเป็นโต๊ะยาวและเก้าอี้อีกสองสาตัวใกล้กันเป็นตู้กดน้ําดื่มก็คงเหมือนกับห้องพักพนัก ง, งานทั่วๆไปแต่สําหรับที่นี่โดยเฉพาะในคืนนี้ไม่ใช่ขณะล้างแก้วกาแฟ ฉันมองเห็นท้องฟ้าของปลายฤดูฝนแลบอยู่แปลกๆผ่านหน้าต่างกระจกหูยังแว่วเสียงฟ้าร้องมาเป็นระยะถ้าโชคดีฉันคงกลับถึงห้องพักก่อนฝนเทนะฉันนึกในใจฟ้ากำรำอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมไฟในห้องเริ่มกระพริบติดติดดับดับเสียงฟ้าร้องและไฟตกติดติดดับดับนั้นไม่ได้สร้างความตกใจเท่าใดนักหาแต่สิ่งที่ทําให้ฉันขนตั้งชันไปทั้งตัวตกใจจนแทบจะกรี๊ดออกมาดังๆนั่นคือ เงาเงาของใครคนหนึ่งปรากฏสะท้อนอยู่ที่กระจกหน้าต่างตำแหน่งคือมันยืนอยู่ที่ประตูห้องความรู้สึกบ่งชัดว่าเป็นผู้หญิงฉันหันกลับไปมองทันทีตรงนั้นไม่มีใครฉันปิดก๊อกน้ำที่สิงล้างจานและวิ่งออกมาทันทีโดยไม่กล้าหันกลับไปมองเพราะกลัวว่าคราวนี้จะไม่ใช่แค่เ ง, งาอย่างน้อยก็ยังอุ่นใจที่มีเพื่อนอยู่อีกสี่คนโคโค่เหมือนจะสังเกตเห็นาการตกใจของฉัน พระนั่งอยู่ใกล้ที่สุดเฮ้ยส้มแกเป็นไรป่าดูตื่นตื่นนะป่าเปๆเปล่าไม่มีไรฉันพูดพร้อมตัดบทด้วยการหยิบมือถือขึ้นมากดค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนื้อข่าวที่อ่านไม่ทําให้ตกใจเท่ากับภาพของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือแม่บ้านของตึกซึ่งฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งใบหน้าที่เห็นอยู่ในจอมือถือตรงหน้าก็คือคนเดียวกับที่ฉันเจอในห้องน้ําฉันถอดแว่นขยี้ตาและสวมกลับเข้าไปเพื่อมองอีกครั้งให้ชัด มันชัดเข้าไปในความกลัวตอนนี้ฉันรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวนั่งนิ่งทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ประหลาดอย่างนี้มาก่อนนี่เหรอที่เขาเรียกว่าโดนหลอกซอมซอมซอมคำสุดท้ายโคโค่ขึ้นเสียงสูงพร้อมสกิดฉันให้รับสายลูกค้าฉันคงกลัวจนหูอื้อไปจริงๆตอนนี้ฉันคุยกับลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื่องนักเพราะในหัวมัวคิดถึงแต่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ถ้าเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังทุกคนคงจะกลัวกันหมดหรือไม่ก็หาว่าฉันบ้าถ้าจะคุยเอาไว้พรุ่งนี้หรือเป็นที่อื่นน่าจะดีกว่า 23.26 นาิกนาทีด้านนอกตึกฝนยำดึกสา์เทลงมาแล้วอย่างไม่ปราณีเพื่อนสามคนที่เลิกห้าทุ่มกลับไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงตอนนี้จึงเหลือกันอยู่เพียงสองคนเท่านั้นณนะเวลานี้สถานการณ์มันยิ่งน่ากลัววังเวงแม้ว่ามันจะเป็นออฟฟิศ ที่เราคุ้นเคยก็ตามและแล้วความรู้สึกดีที่รับสายลูกค้ามาตลอดทั้งวันก็เทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เฮ้ยเฮ้ซส้มแฟนที่จะมารับฉันน่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่โรงพยาบาลฉันต้องไปก่อนวะ่ะเพื่อนคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้เอ่ยขึ้นมาด้วยท่าที่ตกใจร้อนรนหลังจากกดวางสายจากมือถือฉันโทรบอกพี่อ้อยแล้วนะพี่อ้อยให้ฉันบอกยามให้มารออยู่หน้าประตูเป็นเพื่อนแกอีกครึ่งชั่วโมงเองฉันต้องไปก่อนนะ โค้กพูดต่อพร้อมกับปิดเครื่องคอมแล้วกดล็อกอัลเครื่องโทรศัพท์ฉันยังอ้าปากค้างนิ่งเออเออแล้วแล้วแฟนจกเป็นอะไรมากปะน่าจะไม่มากเท่าไหร่อ่ะฉันไปก่อนนะแกบายเธอคว้ากระเป๋าสะพายใบใหญ่จากไปพร้อมกับความอุ่นใจสุดท้ายทิ้งไว้เพียงความโดดเดี่ยวและความรู้สึกกลัวที่เริ่มก่อตัวฉันมองตามจนสุดสายตาแต่พูดอะไรไม่ออก ยี่สนากาสนาทีตอนนี้ฝนเริ่มซาเม็ดไปบ้างบนถนนยังมีรถวิ่งอยู่พอควรแต่ น, นุดที่ฉันอยู่มันเงียบจนน่ากลัวหากมีเสียงอะไรดังขึ้นเล็กน้อยมันก็ทําให้ได้ยินอย่างชัดเจนความจริงมันไม่น่าเป็นเช่นนี้เลยถ้าฉันปฏิเสธงานพี่อ้อยไปตั้งแต่ต้นหรืออาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทําให้ฉันต้องมาอยู่ตรงนี้และเวลานี้ก็เป็นได้เอาหนะ้าอย่างน้อยก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เลิกแล้ว อีกอย่างยามก็คงขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนที่หน้าประตูแล้วในตอนนี้ฉันปลอบใจตัวเองฉันอยากให้ลูกค้าโทรเข้ามาบ้างจะได้รู้สึกว่ามีเพื่อนคุยด้วยแต่หน้าแปลกที่ว่าตั้นแต่โคโค่กลับไปยังไม่มีสายลูกค้าโทรเข้ามาเลยมันเงียบมากเหมือนโดนขังเดี่ยวในอีกโลกฉันหยิบ ม, มือถือขึ้นมาเล่น Facebook เลื่อนดูข้อมูลไปเรื่อยเพื่อรอเวลาทึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะเดินช้ามาก หน้าจอมือถือเลื่อนไปจนเจอข่าวอัปเดตเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ฉันตั้งใจจะเลื่อนให้ผ่านไปเพราะไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้พรันเสียงโทรศัพ <toes> ท <sound plays naive> er ์ก็ดังขึ้นเสียงนี้ทําให้ฉันแปลกใจเพราะไม่ได้ดังมาจากเครื่องที่อยู่ตรงหน้าหากจะดังมาจากอีกเครื่องที่อยู่บนโต๊ะของเพื่อนที่เพิ่งเลิกงานไปเมื่อห้าทุ่มมันห่างไปไม่ถึง10เมตรความจริงมันไม่ควรจะดังขึ้นมาได้หรือว่าเพื่อนที่เลิกงานไปลืมกดล็อกเอั์โทรศัพท์ทําให้สายลูกค้าถูกดึงไปเข้าที่เครื่องนั้น ฉันกำลังจะกดดึงสายมาที่เครื่องของตัวเองแต่แล้วเหตุการณ์ที่แปลกกว่าก็เกิดขึ้นมีใครบางคนกดรับสายที่เครื่องนั้นที่สำคัญสปิกระโฟนถูกเปิดขึ้นฉันค่อยๆถอดเฮดเซตที่หัวออกเพื่อฟังชัดๆฮัลโหลผมอยากรู้ว่าสินเชื่อที่ผมทำส่งเข้ามาผ่านหรือเปล่าครับเสียงผู้ชายที่โทรเข้ามาดังผ่านระบบสปเกรโฟนได้ยินชัดเจนในความเงียบอ้าวคุณไม่รู้เหรอ แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ่ะแล้วคุณเป็นใครมารับสายทําไมเสียงเดิมแต่เหมือนตอนนี้เขากําลังสนทนากับใครคนหนึ่งอยู่ที่ปลายสายฮะแม่บ้านเหรอคราวนี้ฉันยืนขึ้นขยับแว่นและเพ่งมองไปที่จุดนั้นมันไม่มีใครอยู่จริงๆมันเป็นเวลาที่โหดร้ายที่สุดฉันตัวแข็งเหมือนโดนสาบเพราะความกลัวคุณไปตามเจ้าหน้าที่ที่คุยกับผมรู้เรื่องมาเลยนะผมจะรอสิ้นประโยคความรู้สึกของฉันในตอนนี้ เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วและเหมือนกาลังถูกสายตาจ้องจากที่ใดที่หนึ่งเท่านี้คงยังไม่เพียงพอกับความผวาหวาดฉันขนลุกสู้อ้าปากค้างอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงของฝีเท้าจากตรงนั้นค่อยๆดังใกล้มาที่ฉันในความเงียบเช่นนี้มันดังเข้าไปจนชัดในความรู้สึกฉันกรีด์สุดเสียงจนลั่นไปทั้งชั้นแต่เสียงนี้คงไร้ความหมายเพราะเหมือนจะไม่มีใครรับรู้เช่นกัน ฟ้าด้านนอกแผ่เสียงคำรามกล้องผ่าลงมาที่ใดสักแห่งไฟฟ้าในบริเวณนั้นทั้งหมดดับพรึบพร้อมกันเหมือนจะหยุดโลกเอาไว้แค่นั้นไฟฉุกเฉินของอาคารสว่างขึ้นทันทีตรงทางเดินบริเวณประตูและหน้าลิฟต์ส่วนที่ฉันยืนนิ่งอยู่นั้นมีเพียงแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังทํางานผ่านเครื่องสำรองไฟส่องอยู่สลัวรางฉันคว้ากระเป๋าถือและโทรศัพท์ที่วางอยู่ติดกันวิ่งไปที่ประตูทางออกด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด โดยไม่สนใจกับอุปกรณ์การทํางานที่เปิดทิ้งไว้ความบัตรพนัก ง, งานที่คล้องคอขึ้นทาบกับเครื่องรับสัญญาณเพื่อเปิดประตูด้วยอาการสั่นจนแทบจะคุมตัวเองไม่ได้มันไม่เปิดคงเป็นเพราะไฟดับระบบจึงไม่ทํางานหรือว่ามีอะไรบางอย่างเจตนาให้ฉันต้องอยู่ในนี้และที่หน้าประตูไม่มียามที่โคโค บ, บอกว่าจะให้มายืนรอฉันท่า บ, บัตรถีทีไปที่เครื่องอีกหลายครั้งเอามือทั้งดันทั้งกระแทกที่ประตูทุกอย่างนิ่งสนิท เหมือนปฏิเสธคำขอร้องในสถานการณ์ที่เลวร้ายเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ฉันหยุดนิ่งทุกอย่างและค่อยๆหันกลับไปมองภาพที่เห็นคือทั้งขยะพลาสติกที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรล้มลงมันยังตะแคงและกลิ้งอยู่เล็กน้อยถัดมาปฏิทินบนโต๊ะก็ร่วงลงเหมือนถูกปัดด้วยมือที่มองไม่เห็นเก้าอี้ที่โต๊ะถัดมาหมุนคว้างจนล้มลักษณะเหมือนกับมีคนที่เดินเซจนแทบไปยุงตัวไม่ได้ กำลังเดินใกล้มาที่ฉันฉันยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดปากอยากตะโกนให้คนช่วยดังๆแต่มันเป่งเสียงไม่ออกแม้แต่น้อยขาทั้งสองข้างที่เริ่มสัน่นค่อยๆถอยหลังหนีจนสะดุดล้มก้นกระแทกกระเป๋าและมือถือหล่นกระจายแว่นที่ใส่อยู่กระเด็นหลุดเช่นกันฉันควานหาอย่างสเปะสปะเสียงเดินอย่างไม่เป็นจังหวะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คราวนี้ฉันเห็นเป็นร่างคนผ่านสายตาที่พร่ามัวมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ได้ยินเสียงหายใจหอบครืดคลืดสลับกับเสียงวืดเบาๆ เ, เหมือนลูกปองที่ถูกไปลลมร่างนั้นยื่นมือที่ขาวซีดมาหาฉันห่างเพียงเมตรกลิ่นคาวเลือดคลุ้งจนเข้มเข้าไปในคอฉันยกมือขึ้นปิดหน้าแน่นชันขาจนชิดตัวร้องไห้โฮด้วยความตกใจกลัวอยู่ตรงนั้นแล้วมือที่หนักก็มาจับที่หัวไหล่ฉันสะดุ้งสุดตัวยังร้องไห้ใสยหน้าสะบัดอยู่อย่างนั้นโดยมือทั้งสองข้างยังปิดหน้าแน่นคุณซ้ม คุณซ่อมครับคุณซ่อมเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกับแรงเขยา่าจนเรียกสติกลับคืนมาฉันค่ อ, คอยๆลืมตาทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยน้ําตาแห่งความกลัวที่อาบไปทั้งสองแก้มไฟสว่างขึ้นแล้วประตูกระจกถูกเปิดกว้างไว้คนที่อยู่เบื้องหน้าคือพี่แก้วรอปภอของตึกฉันจําได้เพราะพี่แก้วเคยช่วยหาที่จอดรถให้บ่อยๆคุณซ่อมเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่แก้วเ อ, อ่ยถามขณะที่นั่งอยู่ตรงหน้า ฉันไม่ตอบแต่ยังสะอึกสะอื้นอยู่มือหนึ่งปาดน้ําตาส่วนองมือควาาหาแว่นจนเจอเมื่อภาพโดยรอบกลับมาชัดดังเดิมฉันหันมองไปรอบๆ อ, อย่างไม่ค่อยเต็มตานักภาพเหตุการณ์เมื่อครู่หายไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคว้ากระเป๋าและมือถือที่หล่นอยู่ใกล้ๆได้ก็รีบเดินออกมาทันทีพี่แก้วเดินตามมากดลิฟต์ให้โดยไม่เ อ, อ่ยอะไรต่อขณะที่ฉันยังยืนกอดอกตัวสั่นทําอะไรไม่ถูกเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกแม้ยังไม่สุดฉันรีบก้าวเข้าไปทันที ความต้องการในตอนนี้คือออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดและไกลที่สุดความรู้สึกของที่ทํางานที่คุ้นเคยและปลอดภัยมันหายไปแล้วโดยสิน้นพี่แก้วผู้รักษาวความปลอดภัยและกําลังใจในเวลานี้ก้าวตามเข้ามากดลิฟต์ที่ชั้นหนึ่งประตูลิฟต์เลื่อนปิดจนสนิทลิฟต์ทาหน้าที่เลื่อนลงมาเพียง3าชั้นเท่านั้นโดยไม่ทันตั้งตัวมันกระตุกอย่างแรงจนเราทั้งสองคนต้องเอามือยันไปที่ผนังเพื่อพยุงตัวใจฉันหล่นตามแรงกระตุก ไฟที่ด้านบนกระพริบเหมือนจะดับทำไมมันต้องมาขัดข้องตอนนี้ด้วยนะฉันพึมพำกับตัวเองด้วยเสียงที่สัน่นลิฟต์น่าจะค้างเพราะไฟดับเมื่อกี้นะครับกระแสะไฟคงยังมาไม่เต็มที่พี่แก้วพูดและควาวิทยุสื่อสารที่เหน็บเอลขึ้นมาพูดเรียกเพื่อน ร, ปรอปภคนอื่นเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากปลายทางน่าจะเป็นเพราะอยู่ในลิฟต์ผลทางสุดท้ายพี่แก้วหนวันไปที่ปุ่มอ m e r g e n ์เจนซี่คที่สว่างด้วยไฟฉุกเฉินหวังเรียกให้คนมาช่วย กดปุ่มแล้วกรอกเสียงลงไปไม่มีเสียงตอบรับไม่เป็นไรครับไฟฉุกเฉินน่าจะติดที่ห้องควบคุมกลางของดอปพแล้วครับเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยทันทีนั้นไฟที่กระพริบอยู่ก็ดับลงพร้อมกับความหวังที่เลือนรางฉันร้องเฮ้ย hey ด้วยความตกใจแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ด้วยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความมืดมิดเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจทีๆเท่านั้นที่ได้ยินฉันกดเปิดหน้าจอมือถือ เพื่อให้พอมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างทั้งที่แบตใกล้จะหมดเต็มทีพี่แก้วกดปุ่มฉุกเฉินและพูดขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่ปลายทางยังเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่ระหว่างรอท้ำกลางความเงียบในบรรยากาศที่ความแน่นอกถูกสั่นครอนจากสิ่งที่มองไม่เห็นสายตาของฉันเหมือนถูกบังคับให้ก้มไปมองที่หน้าจอมือถือมันยังค้างอยู่ที่หน้าข่าวอัปเดตเหตุฆาตกรรมแม่บ้านสาวรายละเอียดของข่าวเขียนว่า เมื่อเวลาประมาณ23่สนาฬิกาตำรวจได้นํากําลังเข้าตรวจค้นห้องพักไม่มีเลขที่ในซอยสุขุมวิทสามสิ 33, ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของผู้ต้องสงสัยในเหตุฆาตรกรรมแม่บ้านสาวของตึกสํานักงานแห่งหนึ่งย่านถนนสุขุมวิทภายในห้องพักพบของใช้กระจัดกระจายซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้และยังพบหลักฐานชิ้นสําคัญคือเสื้อเปื้อนเลือดส่วนอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ยังหาไม่พบนอกจากนี้ภายในห้องพัก ยังพบศพชายอายุประมาณ35ปีจากการชนะสูตรเบื้องต้นในที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงสาเหตุมาจากการขาดอากาศหายใจที่คอพบรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบทราบชื่อภายหลังคือนายแก้วมังกรเจ้าหน้าที่รอปภ อ, อดีตแฟนของแม่บ้านสาวผู้เสียชีวิตซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่นอนและสืบสวนขยายผลต่อไป ฉันแทบจะหยุดหายใจขาไม่มีแรงจนแทบยืนไม่อยู่รอประพาที่ฉันอ่านในข่าวบัดนี้ร่างนั้นยืนหันหลังนิ่งอยู่ข้างหน้าฉันแค่เอื้อมฉันทำใจดีสู้เสือ พ, พ, พี่แก้วโ ค, วโคว้บอกให้ขึ้นมารับหนูชชใช่ไหมเสียงของฉันตะกุกตะกักจนแทบจะพูดไม่ออกร่างนั้นยังนิ่งเหมือนไม่หายใจทันใดนั้นลิฟต์เลื่อนขึ้นทั้งที่ไฟยังดับ แล้วร่างตรงหน้าก็ค่อยๆหันกลับมาแสงจากมือถือสาดไปกระทบจนมองเห็นได้ชัดใบหน้ากลายเป็นสีเขียวคร้ำจนเกือบดำตาเบิกโพรงสีแดงกำาปากที่เสแยยิ้มเอ่ยมาด้วยเสียงที่แหบแห้งลากยาวแต่ดังบาดลึกเข้าไปในทุกอ น, นูของความรู้สึกเปล่ากูมารับแฟนสิ้นเสียงสัญ ญ, ญาณ ประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้น15มือถือขึ้นสัญญาณเตือนแบตหมดเป็นครั้งสุดท้ายนาฬิกาที่หน้าจอบอกเวลา0นย์นาฬิกาสนาทีแล้วหน้าจอก็ดับไปพร้อมกับสติและความรู้สึกของฉัน <S <S หากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ